ปีพุทธศักราช2507ถึง2530ท่านษาที่20ถึง42ท่านจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามปากุงบ้านศรีสมเด็จตำบลโพโทองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นเวลา8ปีที่หลวงปู่ศรีท่านได้เที่ยววิเวกภาวนาและจำพรรษาในถิ่นอื่นการย้อนกลับมาถิ่นเดิมของท่านช่างเป็นความจริงอย่างที่หลวงปู่บัวสิริปุญโ น, โนได้บอกไว้ว่า ท่านหลวงปูศ่ศีท่านจะหนีจากเมืองร้อยเอ็ดไปไหนไม่ได้ดอกก็เป็นความจริงจนถึงทุกวันนี้อย่างที่ใครๆมิอาจปฏิเสธได้การกลับมาของท่านในคราวนี้ดั่งลําแสงแห่งตะวันโผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าของจังหวัด ร, ร้อยเอ็ดย่อมยังความมืดมิดให้ปรารนาการหายไปยังความหลับไหลของบุคคลผู้หลงให้ตื่นจากความง ม, มงายกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในเช้าวันนั้นเองเมื่อชาวบ้านเห็นท่านกลับมา เดินเที่ยวรับพิขาจารวัดบินทบาทอย่างเมื่อหลายปีก่อนต่างคนก็ต่างดีอกดีใจวิ่งบอกข่าวแจกกันและกันรอยยิ้มแววตาและกิจใจที่ชื่นบานแผ่ปกคลุมไปโดยทั่วกระแสะลำแสงแห่งธรรมภายในของหลวงปูศ่ศรีเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าวันนั้นเสีย อ, อีกเสี้ยนน้าคือกิเลส ช, ชั่วยาบคือราคะโทสะโมหะตันหาอวิชาอุปาทานที่มีอยู่ดาเดินเที่ยวทิ่มแทงดวงจิตของมนุษย์และสัตว์เป็นจํานวนมากคราวนี้ มีหวังถูกบ่งออกด้วยธรรมของท่านผู้เป็นอริยสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีคนและพระใจบาปอีกจำนวนไม่น้อยในเขตนั้นที่อิจฉาริษยาในการกลับมาของท่านถึงขนาดเที่ยวเปล่าประกาศว่าคอมมิวนิสต์กลับมาบ้านแล้วคนเหล่านี้เที่ยวขัดขวางแสดงอำนาจบาดใหญ่คมคูเบียดเบียนทุกวิถีทางไม่ให้ท่านสร้างวัดและสร้างความเจริญทางด้านศีลธรรมแต่ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่า การกลับมาของท่านในคราวนี้ท่านในครองวิมุตติสุขเหล่าเทวาอารักษ์มาแสดงความยินดีอนุโมทนาในธรรมวิเศษและต้อนรับท่านอย่างดาบ ด, ดืนในเยะว่าจะเป็นการกลับมาเพื่อเสริมสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันเป็นคุณประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างสุดที่จะคิดและคาดเดาได้เมื่อท่านอยู่ได้ไม่นานนักทายกทายิกาประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่า จะบูรณะปรับปรุงวัดป่ากรุงนี้ให้เป็นวัดวาอารามสมบูรณ์ถาวรมั่นคงสือไปจึงได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการจะตั้งเป็นวัดขึ้นโดยให้ชื่อตามความหมายที่ประชาชนร่วมกันสร้างว่าวัดประชาคมวานารามในสังกัดคณะธรรมยุตในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2508โดยมีท่านหลวงปู่รีมหาวีโรเป็นเจ้าอาวาสปกครองและบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ในวัดประชาคมณวานารามแห่งนี้ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะไว้มากหลายสุดที่จะกล่าวได้หมดได้ขยายอาณาเขตจากเดิมเริ่มแรก4ไร่เป็น29ไร่และเพิ่มเป็น314ไร่2งานการขยายอาณาเขตของวัดเป็นไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้วัดป่ากุ้งนอกจากจะมีเขตพุทธวาดสังคาวา ด, ขาวาดเขตอุบาสิกาและแม่ฉีแล้ว เขตแห่งหนึ่งซึ่งวัดอื่นนั้นไม่ค่อยจะมีนั่นก็คือเขตที่อยู่ของสัตว์เช่นมา้าเจ้งกวางนกยูงกบเคียดอื่นอ่างปูนาตะกรวดเป็นต้นการขยายอาณาเขตวัดนั้นท่านดําริว่าที่อยู่ของคนมันก็มีมากแล้วแต่ที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นอาหารเลี้ยงผู้คนจนจะล้นโลกล้นแผ่นดินล้นประเทศล้นเมืองแทบจะไม่ค่อยมีทุ่งนาอันเวงว้างข้างบริเวณวัดนี้ ฤดูฝนกบเขียดอึ่งอ่างมันร้องระงมอย่างน่าสงสารมีผู้คนมาจับไปกินไปขายได้ผลละหลายกระสอบบริเวณข้างวัดป่ากรุงนี้อุดมไปด้วยสัตว์ตามธรรมชาติถ้าไม่รักษาเอาไว้สัตว์เหล่านี้ก็จะสูญหายสูญพันธุ์ไปกับปากท้องของมนุษย์ที่ไม่มีวันอิ่มเสียหมดและท่านย้ำเป็นธรรมะตบท้ายอย่างน่าฟังว่ากูไม่มีหัวก็ยังเดินได้งูไม่มีตีนก็ยังเลื้อยได้ แม่ไก่ไม่มีนมก็ยังเลี้ยงลูกได้ฉะนั้นมนุษย์จึงไม่ควรดูหมิ่นสัตว์ผู้มีปัญญาควรช่วยเหลือผู้ที่ต่ําต้อยกว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์จะมีประโยชน์เพราะการรู้จักช่วยเหลือกันสัตว์ได้ช่วยเหลือมนุษย์ไม่ให้ตายเพราะมนุษย์ได้เอาร่างกายชีวิตสัตว์มาเป็นอาหารมนุษย์เมื่อมีกําลังก็ควรช่วยเหลือสัตว์ที่ตนเองเคยบริโภคบ้างเมื่อท่านดําริเช่นนั้นคณะศิทธยานุสิตต่างพากันสละจตุ ป, ปัจจัย ถือทุ่งนารอบๆ บ, บริเวณวัดจนกลายเป็นวัดป่ากุงที่กว้างใหญ่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้สัตว์ไพรคุ้งน้ําเป็นรมณียสถานอันสงบสําหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพ่อค้าประชาชนชาวบ้านผู้สแสวงบุญมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานและยังเป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยร่มใบบุญของท่านนั้นเองไม่เพียงแต่ในอาณาบริเวณเขตวัดป่ากุงเท่านั้น ที่ท่านเมตตาแผ่ไปสายลมเย็นฉ่ําแห่งเมตตาธรรมของท่านยังแผ่ปกคลุมไปยังโรงพยาบาลโรงเรียนสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศสําหรับพระธรรมเทศนาขององค์ท่านเมื่อร่างกายของท่านยังแข็งแรงดีท่านจะแสดงธรรมโปรดญาติโยมทุกวันธรรมะของท่านแสดงเป็นภาษาอีสานเข้าใจง่ายเป็นกันเองบุคคลทั่วไปไม่ว่าเพศไวไัยใดก็ตามเข้าหาท่านได้ง่ายท่านไม่ถือองค์ว่ามีชื่อเสียงโด่งดัง เมื่อความดีงามขององค์ท่านกำจรกกำจายแผ่ไปโดยทั่วในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จมาทอดพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดประชาคมวนารามซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติแจกิญานุสิ์ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรและเจชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่ีมหาวีโรท่านออกเที่ยวสั่งสอนประชาชนในที่ต่างๆมีวรรณกรรมอีสานเรื่องหนึ่งที่ท่านมักจะยกเปรียบเทียบเสมอคือเรื่องเท้าสีทนกับนางมโนราท่านแสดงไว้ว่าเดี๋ยวนี้โลกของเราคิดกันอยู่มุมเดียวคือมุมเงินสีทนมโนราเป็นนิยายอันหนึ่งเป็นบุคลาทิษฐานเมื่อเป็นบุคลาทิษฐานแล้วเราน้อมมาเป็นธรรมมาธิษฐานได้ชื่อท่านก็บอกไว้แล้วว่าสีทนมโนรา เรื่องย่อๆง่ายๆของนิ่ทานนี้ใครๆก็พอจะรู้จักมโนราแปลว่าจิตใจจิตใจนี้สามารถถอะไปถึงไหนถึงไหนก็ได้สีทนอันนี้หมายถึงร่างกายของเรานี่แหละคือความอดทนความอดทนนี้เป็นคู่ของจิตใจถ้าจิตไม่มีความอดทนก็อยู่ไม่ได้ตามเรื่องท่านว่ามโนรามีปีก็เลยเ ห, หนีจะไปเมืองภูงเงินโน่นแต่พอไปถึงป่าดงไปพบฤาษี เลยเอาแหวนธรรมรงค์ฝากไว้กับฤาษีแล้วสั่งฤาษีว่าหากผัวข้ามาให้เอาแหวนธรรมรงค์ให้เขาด้วยแล้วนางมโนราก็บินไปถึงเมืองภูเงินกําหนดวันจะแต่งงานกับพระยาภูเงินท้าศรีทนก็อดทนเดินเดินไปอยู่อย่างนั้นทนทุกทรมานเดินฝ่าป่าดงป่าไหวเาหลืมคึมหวหนาก็อดทนฝ่าไปไปพบฤาษีฤาษีให้เรียนมนคาถาเสกใส่มะนาวถ้าฝ่าไปที่ไหนไม่ได้ ก็ให้เอามะนาวคว้างไปมันจะเจาะเลาะทางเดินไปและได้มอบแหวนธรรมรงค์ให้ด้วยพอไปถึงแม่น้ำกัดเหล็กกัดทองทิ้งมะนาวลงไปปรากฏว่าจมน้ำไปเลยเลยข้ามแม่น้ำไปไม่ได้นั่งกอดเขาร้องไห้ยอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำลูกนกอินทรีสามตัวเห็นสีทนนั่งร้องไห้อยู่ก็ลงมาถามว่าทำไมมาร้องไห้อยู่ที่นี่สีทนก็เล่าให้ฟังว่าเมียหนีไปอยู่เมืองภูงเงิน จะไปตามแต่ข้ามแม่น้ำไปไม่ได้ลูกนกอินทรีก็เลยแนะว่าครุ่งนี้พ่อแม่ฉันจะบินไปหากินอาหารที่เมืองภูงเงินเพราะเมืองภูงเงินกําลังจัดงานแต่งงานนางมโนรากับพระยาภูงเงินฉันก็จะไปด้วยขอให้ท่านแทรกเข้าไปอยู่ในขนปีพ่อแม่ฉันก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นสีทนจึงปีนต้นไม้ขึ้นไปแทรกอยู่ในขนปีของนกอินทรีพ่อแม่นกอินทรี ก็พาบินไปเมืองภูงเงินพอไปถึงนก บ, บินลงต่ำๆสีทนก็กระโดดลงแล้วไปพบสาวใช้ในวงังออกมาตักน้ำจึงฝากแหวนธรรมรงค์ไปให้นางมโนราพอนางมโนราเห็นแหวนธรรมรงค์เท่านั้นก็พูดขึ้นว่าผัวฉันมาถึงแล้วฉันไม่แต่งงานหรอกนี้เป็นเรื่องย่อๆทีนี้ถ้าเราย้อนมาเป็นธรรมาทิฐานมโนราหมายถึงมโนหรือจิตใจของเราเท้าสีทน หมายถึงอดทนหรือขันติมโนโคือจิตใจกับสีทนคือขันติถ้านี้จากกันแล้วใช้ไม่ได้หมายความว่าการฝึกจิตต้องอดทนแหวนธรรมรงค์หมายถึงธรรมะที่ว่าเศกมนใส่มันนาวหมายถึงฤาษีท่านมีศีลหรือสติพอจะต่อสู้กับทุกขเวทนาต่างๆนาน า, นาได้การนั่งกรรมฐานมักมีขวาน้าอยู่เสมอคือนั่งไปหน่อยมักจะเจ็บนั่นปวดนี่วุ่นวาย นี่แหละคือฝ่าดงนาป่าไหวหลึมคืมไวหวนาคือเดินทางไม่สะดวกต้องฝ่าไปให้ได้แต่แล้วเราต้องอาศัยขันติคือความอดทนเท้าสีทนต้องสู้ดึงดันเข้าไปพอได้แหวนธรรมรงค์แล้วเหมือนได้สติเลยไม่กลัวในการสู้กับทุกขเวทนาดันเข้าไปเลยแต่ว่าขั้นนี้ดันเข้าไปถึงแม่น้ำกัดเหล็กกัดทองแล้วไปไม่รอดข้ามน้าไปไม่ได้จะข้ามได้ก็ด้วยนกอินทรีห้าตัว หมายถึงอินทรีห้าอันได้แจ่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีทั้งห้าเป็นพลังที่จะข้ามไปเมืองภูงเงินจึงจะได้เมียคืนมาถ้าไม่เช่นนั้นเมียคือใจก็จะอยู่เมืองภูงเงินหมายถึงใจติดเงินทุกวันนี้ใครใคก็ยุ่งกับเงินกันทั้งนั้นเรียกว่าไปอยู่เมืองภูงเงินกันหมดเจ้าตัววิ่งตามไปไม่ทันมีมากก็ใช้มากเป็นหนี้มากยุ่งกันอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้น คนจึงได้ทุกข์ได้ยากฆ่ากันทำลายกันยิงกันเพราะว่าใจไปติดอยู่ที่เงินกันทั้งนั้นอยู่แต่ร่างเปล่าเปล่าเลยไม่มีความอดทนโลกอันนี้ก็เลยเดือดร้อนหนีเทียบกันง่าย